วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบอ็ดออกพรรษามาได้แดวันเป็นแดวันเป็นวันพระแรกเพราะนั้นพวกเราในพรรษาพวกเราก็จริงจังสมาทานศีลพอออกพรรษาแล้วเราจะเฉยเมยเกินไปก็ไม่น่าจะถูกก็ควรจะผ่อนผน ล, ลงให้มีศีลห้าประจำกายวาจาของพวกเราด้วย นั้นวันนี้จึงในสมาทานศีลศีลห้าคนที่มีศีลห้าเพียงแค่นั้นล่ะเพียงแต่ว่ามีศีลห้าเท่านั้นอ่ะพระพุทธเจ้ารับรองเลยปิดอบายภูมิไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไม่เกิดไม่ตกต่าพูดง่ายๆภูมมีศีลห้าไม่ตกต่าแล้วก็ไม่ติดคุก ไม่กิดไม่กิดไม่เข้าคุกไม่เข้าตาราง เ, าเพราะไม่ทาผิดกฎหมายสินห้าเป็นสินคุ้มครองโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันาการอยู่ด้วยกันถ้าหากว่ามีสินห้าแค่อย่างเดียวเท่านั้นโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขถ้ า, าว่าโลกขาดสินขาดสินห้ า, าและเมื่อขาดสินห้าแล้วก็ ก็ทำก็ทำตามที่นั่นนะห้ามไมา่ให้ฆ่าจัดก็ฆ่าห้ามไมา่ให้ขโมยก็ขโมยประพฤติล่าลาบแล้วโลกในสามีภรรยาทั้งที่ห้ามมีข้อห้ามห้ามไมา่ให้มูสากโกหกห้ามไม่ให้ดื่มสุราแต ก, ก, กินเหล้านะตรงข้ามกันอย่างนั้นแล้วคนคนนั้นหรือว่าโลกในยุคสมัยนั้น มีแต่ความหายนะมีแต่ความร่มจมจิบหายมีแต่ความไม่ร่มเย็นผาสุกในชุมชนในกลุ่มนั้นๆยุคนั้นๆสมัยนั้นๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเราเห็นคุณค่าของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราจึงถึงยังไงก็ถึงจะรับรักษาตลอดไม่ได้ก็เราก็เชิดชูบูชา วัตถิลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทาเยาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าว เรื่องราวอะไรพวกเราควรจะได้รับผู้รับทราบ ร, ร่วมกันแต่วันนี้ทางครูบาว่าขอออกสถานีวิทยุเสียงธรรมได้ไหมหลวงพ่ออนุญาตอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการทดสอบทดลองสถานีของเราเพราะจวนจะออกจวนจะวันกระถินแล้วควรจะทดสอบดูว่าใช้ได้ไม้มอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันอีกสวันเป็นวันกระถินหวงพ่อก็เลยให้อนุญาตให้ออกสถานีวิทยุกระจายเสียง1้7 2 5เมกะเฮิร์ออกจากวัดป่านาคำน้อยกระจายเสียงไปในได้ยินในละแวกนี้นะวันนี้เป็นวันที่สี่ พฤศจิกายนพุทธศักราช2558อีกวันที่8ก็เป็นวันกระถินของพวกเราขอประกาศให้คณะทายาิโยมลูกหลานที่รู้จักมักคุ้นกับวัดป่านาคาน้อยของพวกเราวัดป่านาคาน้อยพวกเราเป็นวัดของพี่น้องปิชายชนทุกงูเหล่าเป็นวัดสาธารณะต้อนรับขับสู้ ผู้มีเจตนาดีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่ไม่รับตั้งแต่ผู้ที่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอันนั้นไม่รับนะถ้าว่าผู้ใดก็ตามคิดดีทำดีพูดดีวัดของเรายินดีต้อนรับกับทุกคนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาวันนั้นวันที่แปดเนอะเป็นวันกฐินสามัคคี มีท่านพระองค์เจ้าโสมสวเรพระวรราชาที่นัดดามาตและก็หม่อมชราลีที่เป็นน้องสาวพระองค์จะมาเป็นประธานออทอดผ้าพระกถินที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเราเวลา 16:00 น, อ, นอันนี้ก็ขอประกาศให้คณะชาตธาท ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนมา รับสเสด็จมาร่วมรับสเสด็จเพราะพวกเราตั้งแต่วัดตั้งวัดมาเนี่ยก็ยังไม่เคยคราวนี้เป็นครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นวันวันที่แปดถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราผสกในกรในท้องถิ่นของพวกเราเพราะนั้นจะถือโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่ของถือโอกาสหาได้ง่ายๆ เพราะนั้นหลวงพ่อเองขอบอกกล่าวลูกหลานคณะจทห า, ายาตโยมทุกคนเนอถ้าเป็นไปได้ทามาได้ก็มาอถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออลวงพ่อไม่ได้เอบอกว่ามาไม่ได้ก็ให้มาไม่ใช่ถึงขนาดนั้นอถ้าหาผู้ใดมาได้ก็มานานทีปีหนอบางทีอาจจะไม่ นานเท่าไหร่จึงจะได้มาพบมาเจออย่างนี้นะถือว่าวันที่แปดนี่เป็นวันมงคลมหามงคลสําหรับพวกเราท่านทัน้งหลายเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน้าที่ของพวกเราแต่หลวงพ่อเองจะจะขอร้องคือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าวันนั้นเมื่อเราตอนเช้าอย่างนี้แหละพวกเราตักบาต ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็คงจะได้รวบรวมจะตุปัจจัยองค์กฐินไว้ก่อนเมื่อพระองค์เสด็จมาตอนเย็นพวกเราก็จะได้ร่วมอีกอี ก, อกถวายพร้อมกับพระองค์ท่านแต่ว่าเมื่อพวกเราทันเลี้ยงกันตอนเช้าแล้วพี่น้องทางไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วน ข, ข, ขุนราชการ ทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเาล่าที่มาร่วม ง, งานาคงจะมีปากมีท้องมาด้วยเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกห า, อาของหลวงพ่อที่อยู่รู <c oughs> ้จักมักคุ้นที่อยูอ่ไปมาหาสู่ขอหลวงพ่อฝากไว้กับพวกเราทุกคนด้วยขอให้เลี้ยงดเูเลี้ยงดูอาหารการบริโภคอย่าให้ขาดตกบกพร่องอกับผู้ที่มาเกี่ยวข้อง เพราะวันนั้นวันที่แปดมันก็คงจะทั้งวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็นพี่น้องทางไกลมาพวกเราก็ร่วมร่วมกันแต่ถึงยังไงก็ตามพี่น้องทางไกล ท, ที่มาที่มากินที่มาทานอาหารก็จะมาว่าพวกเราไม่ต้อนรับขับสู้ทีเดียวก็ไม่ได้นะ อมันต้องวัดวาศาสานาที่หลวงพ่อเคยพูดว่าเป็นสวรรค์ไกลไกลทำไมจึงว่าสวรรค์ไกลไกลยอย่างพวกเราดูาิที่มาวันนี้นะอมาวันนี้พวกเราใส่แต่ข้าวเหนียวใส่บาตรหลวงพ่อหลวงพ่อจะเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงพวกท่านหลวงพ่อเอาเข้าวเหนียวที่พวกเราท่านทั้งหลายมาใส่บาตรนั่นแหละเลี้ยงพวกท่านพวกท่านทําบุญยังไงพวกท่านก็ได้กินอย่างนั้นฮะเ อ, อันนี้ก็เหมือนกัน พวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่วัดของหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อไปหาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องถือมาอมาทาบุญด้วยเมื่อหลวงพ่อได้แล้วหลวงพ่อก็เเลื อ, เ, อเฉลือเพื่อแผ่ให้กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานท่าได้กินทั่วถึงกันแต่ว่าพวกลูกหลานมีแต่มาแต่ตัวเปล่ามาแต่ตัวเปล่าจะจะมากินอาหารดีๆ ไ, ได้ยังไง เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ทําบุญไว้ไนอะ้สิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราเพอหลวงพ่อจึงบอกว่าสวัสด์วัดของเราเนี่ยสวรรค์ไกลไกลถ้าหากว่าพวกเราได้ทําดีไปแล้วเนะี่ยความดีก็จะจะตามสนองแต่เมื่อเราทําบุญไวนะ้ในพบนี้ชาตินี้เมื่อตายไปแล้วเราไปสู่สวรรค์อันในสงแห่งทานที่พวกเราได้ทําบุญนะั้นอะ จะไปคอยอยู่ที่บนสวงสวรรค์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสท่านบ อ, บอกกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะวันที่แปดที่จะถึงเนี่ยเขาขอให้พวกเราทุกท่านมาร่วมการรับเสร็จอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็พร้อมกันเขาขอให้ พวกเราที่ศรัทธาญาติโยมที่เป็นหลักอยู่ในวัดของเราหรือครูบาน้อยหนุ่มทั้งหลายครูบาทั้งหลายก็ช่วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาจัดการจัดงานดูแลช่วยกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วก็เดินไปทุกสิ่งทุกอย่างทํามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้ว ไม่มีปัญหาทั้งหมดงาน ท, ทุกอย่างเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านที่ท่านได้ตรัสได้พูดได้กล่าวเอาไว้ถ้าหากว่ามีความอิทธิบาทอิทธิบาทคือคุนเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทำสีประการให้อยู่ในชุมชนกลุ่มใด ชุมชนกลุ่มนั้นหรือบุคคลนั้นถ้าหาว่าไม่เหลือวิสัยจะสําเร็จรุ่่วงไปได้ถ้าหาว่ามีอิทธิบาทอยู่ในจิตในใจในชนชุมชนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าอิทธิบาทสี่ชันทะเราจะพยายามมีความพอใจชันทะคือพอใจในการงานของพวกเราที่จะทําให้สําเร็จวิริยะเราก็พักเพียรพยายามจะทําให้สําเร็จ จิตตะพวกเราเอาใจฝักใฝ่จะทํายังไงงานนี้จะสําเร็จร่วงไปด้วยดีวิมังษาใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลในการดําเนินงานของพวกเราเพราะฉะนั้นงานของพวกเราถ้ามีอิทธิบาทสี่อยู่ในกลุ่มชุมชนของพวกเราไม่เหลือวิสัยงานถึงจะจุ้งยากมากขนาดไหนงานในเรื่องนั้นนั้นเรื่องนั้นๆ เราก็จําเร็จร่วงร่วงไปได้เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆกท่านนะอันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันนะที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนะี่ยปุญญานิปรโล ก, กัสฉมิงปฏิทาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่แหละการทําบุญจะทําอย่างไงก็ทําอย่างนี้แหละสาธารณประโยชน์อย่างนี่แหละเข้ามาช่วยวัดวาศาสานา มาสร้างวัดว า, าสนามาทาบุญผลละมากคนละน้อยไม่หว่ากันไม่ใช่แต่วัดนี้นะไปวัดอื่นก็เหมือนกันวัดในพระพุทธศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่วัดหลวงพ่อจะรวบรวมรวบมาให้ทาบุญแต่นาคำน้อยไม่ใช่คิดอย่างนั้นไปว่าคิดสั้นเกินไปพระพุทธศาสนาสู่แท้แต่จิตใจของสัาาตยายาิโยมที่มีความพอใจมีความตั้งใจ มีความศรัทธาออแล้วก็ในวัดนั้นนั้นก็ทำบุญเลย เ, ออเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับจิตใจของสาหรับอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททางนั้นแหละอันนี้เป็นการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาออไม่ใช่ว่าบารงแต่ พ, พุทธศาสนาแต่วัดใดวัดหนึ่งถ้าวัดนั้นออตายไปแล้วหมดไปแล้วออวัดอื่นจะทายังไง พระพุทธศาสนาเลยจบไว้กับวัดนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาที่เป็นมาได้ก็เป็นมาด้วยพุทธบริษัทสี่สืบท อ, อดกันมาไม่รู้กี่ประเทศไม่รู้กี่ชาติกี่รุ่นมาถึงพวกเราพวกเราก็ถือว่าได้มาวิเคราะห์ได้มาพิจารณาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็พอใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้บอกได้กล่าวให้กับพวกเราพวกเราก็ยึดถือตามแนวแถวพอเราเห็นด้วยลงใจในหลักธรรมคำสอนของพุทธะถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบล่มเย็นเป็นสุข ในตัวของท่านเองเป็นอันดับแรกต่อไปกับผู้ยผู้อยู่ใกล้ชิดอันดับแรกทีอ่อยู่ใกล้เราสอนให้รู้จักการวางตัวการวางตัวของชุมชนจากนั้นก็มูพวกเพื่อนต่อมากชุมชนประเทศชาตินั้ น, น, นท่านปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความสงบ มีแต่ความผาสุกในชุมชนเพรา ะ, ะนั้นเราพวกเราได้พิจารณาได้ศึกษาดูแล้วว่าทมคำสอนของพุทธเจ้าในตรัสไว้ชอบตรัสไว้ถูกต้องพวกเราจึงได้ยึดว่าพุทธทางทำมังพุทธทางคือพระพุทธเจ้าทำมังคือคำสอนของพุทธเจ้าสังฆังคือพระสงฆ์พระสงฆ์ที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกกล่าว พวกเราจรึงว่าพุธทธังทำมังสังขังสระนังคัจฉามินะยิบพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพาะพวกเราได้คิดดูแล้วกานกรองไตรตองด้วยดีแล้วเรายอมรับว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ามีเหตุผลจริงเออถาว่าเราคิดดูแล้วว่าตรงไหนไม่มีเหตุผลแล้วก็ไปนําไปถามท่านผู้รู้เถอะสิ เราอาจจะตีความหมายผิดก็ได้ในจุดนั้น อ, อ, อาจจะตีความหมายเข้าข้างตัวเองหรือตีความหมายผิดแต่ทำไมคนทั้งหลายยอมรับกันมาแต่ข้าพเจ้าพิจารณาโดยแล้วไม่เห็นด้วยคำนีออ่อาจจะเป็นความหมายผิดนะอย่างอภิชาตาเนะี่ยอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยนะเขาก็เอามาตีแผ่เหมือนกันนะบางบางครั้งบางการนะทาไมพู้ใศาสนานะเนี่ยสอนให้คนมักน้อย ให้กินน้อยๆให้เป็นคนที่ไม่กระตือรือร้ออนเหมือนกับอยู่แบบชังกระตายอย่างนั้นแหลอไม่ได้ขนขวายไม่ได้มีอนาคตทำให้พุทธศาสนาสอนให้เป็นผู้มักน้อยอย่างนั้นมันไม่มันดูๆแล้วมันทำให้คนที่นับถือพุทธพุทธศาสนาไม่เจริญรุ่งเรืองอมีแต่อับเฉาเพราะมันสอนให้คนมักน้อย อันนั้นคือมองมองในมุมเดียวถ้ามองในมุมกว้างพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะทําไมถึงมองมุมนั้นมองมุมนั้นใช่ถาาว่าพวกเป็นพระเนี่ยเป็นพระสงฆ์เนี่ยมีอะไรกัโรบโลภทั้งหมดเยพระกี้โลภเราต้องการไหมพระกี้โลภมันต้องการไหมอะไรก็โลภไปหมดแข่งขันโลกแก็บข้าสงสารของอ่านเอาหมดอินเอาหมดโลภเอาหมด เป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงเราต้องการไหมประเภทอย่างนั้นเพราะพระพเจ้าท่านสอนพู้นักพลดนักบวชที่เป็นพระให้เป็นผู้มักน้อยฉันโดดอดอภิชตาเป็นผู้มักน้อยนะเป็นพระนะให้อยู่แบบอย่างพระให้อยู่แบบสันโดษอันนี้ก็คือท่านสอนพระแต่สอนคารวาสเนีท่านว่าอุตฐานะสมปทานถึงพร้อมเดือกขาด ความขยันหมั่นเพียรในการสะแสวงหาทรัพย์หน้าที่การงานการศึกษาทั้งหลายทั้งปวงอันไหนที่จะเป็นประโยชน์อันไหนที่มีความสุขให้มีความขยันในการสะแสวงหาหน้าที่การงานในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเนาอุทธนาสัมปทานะ ถ, าถึงพร้อมด้วยความขมั่นขยันในการสะแสวงหาในทางทรัพย์สมบัติ อันไหนจะเป็นปัจจัยสี่มาสู่ตนเองนั่นแหละให้มันขยันหาอุทานสัมปทาอรคะสัมปทาให้รั ก, รกษาเมื่อหาเจาะแสวงหามาโดยความยากลำบากด้วยปัจจัยสี่มาได้แล้วให้รักษาเอาไว้อย่าไปใช้อลุยชุยแชกอย่าไปทำตนไม่ดีเมื่อได้หน้าที่การงานมาแล้วลืมตัวพอ สมัครได้หน้าที่การงานที่ดีขึ้นมาแล้วลืมตัวกินเหล้าเมายาทามาเลเทเมาพ้นสุขเขาไล่ออกอย่างหน้าที่การงานอันนี้เลยบอกไม่รักษาไม่อารักขะไม่รักษาไม่รักษาหน้าที่การงานไม่รักษาทรัพย์สมบัติไม่รักษาสิ่งที่เราได้มาที่เป็นปัจจัยสี่เนี่ยปัจจัยสี่คืออะไรยาโรงพยาบาลของเราเนี่ยปัจจัยสี่ ผ่านุห่มยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยนี่แหละปัจจัยสี่อาหารปิดทบบาทอาหารทรัพสมบัติที่เป็นอาหารสรุปแล้วก็คือเงินนั่นแหละถ้ามีเงินอย่างเดียวเท่านั้นราคาใครโแสวงหารับได้เงินมาเท่านั้นแปลว่าหาปัจจัยสีได้เกือบทุกอย่างเราซื้อแ ส, สวงหาได้อันนี้ว่ า, าราคาเมื่อได้มาแล้ว ให้รักษาเอาไว่ราคาสัมปัสสะข้อที่สามกัญญาณมิตรตาให้พบหมู่เพื่อพวกเพื่อนเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วกับมีหมู่มีเพื่อนแต่อยู่คนเดียวกินได้ยังไงอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ต้องมีหมู่มีเพื่อนในเมื่อมีหมู่พี่เพื่อนก็ต้องเลือกหมู่เพื่อนของเราเป็นกัญยาณมิตรไหมหรือเป็นป่าประมิตรเป็นมิตรชัว่วมิตร ด, ดีถ้าเราไปพบมิตรชั่วเอาละปัจจัยสีของเราเน่ หรือว่าเราเฉาะแสวงหามาพังทะเลทลายไปหมดพราอะไรเพราะมิตรชั่วมันซักจนไปในที่ช่วงเพลิดเพลินนะไปขายยาบ้ายาม้마เข้าไปอแล้วก็ไปพ้นไปจี้ไปคดไปโกงแล้วก็ไปซื้อปืนมาเอเป็นมือปืนไปหาฆ่าคนฮลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็คืออถ้าหากว่าไปคบปลาปรมิตรไปคบคนชั่วแล้วมันจะเสียหาย ถ้าว่าครบคนดีกัญยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีแนะนําไปในทางที่ดีไปในทางที่สร้างสรรค์อันนั้นแหละจะเป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าอันนี้เราวะ่ากัญยาณมิตรต่าสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเราเกิดมาทั้งทีเราเลี้ยงชีวิตอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปป้นอย่าไปจี้อย่าไปเบียดไปบงังอย่าไปรังแก่เบียดเบียนคนอื่นเขามาเลี้ยงชีวิตของเรา อันนี้แปลว่าสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหรียญท่านเหรียญเป็นหลายหน้า <c oughs> เหรียญมีหลายหน้าไม่ใช่หน้าเดียวนะคณะตถาญาโยมลูกหลานเราจะไปฟังแต่อภิชาตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องฟัง ม, มุมอื่นอีกอมีตัง้งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเราจึงยอมรับว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนกว้างขวาง ไม่ได้สอนศรัทธาอย่างเดียวไม่ให้เชื่ออย่างเดียวให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ด้วยคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรความนี้มีประโยชน์อย่างไรใ น, ในเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านสอนนั้นเป็นอย่างไรเออเพราะว่าเป็นสวากขาธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาตทโยมลูกหลานทุกคนนะนับว่าเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธญาติเรานํานมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลก็เต็มบริบูรณ์ในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีเนอระอนุสัตตายาติโยมลูกหลานที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยและข อ, อ, อประเทศไทยของเราไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินสื่อต่างๆทั่วโลกทุก ว, วันนี้ ฟังดูสิว่ า, เ, าเมืองไทยของเราเนี่ยน่าอยูอ่น่าอยู่ประเทศหนึ่งเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้เบียดเบียนเราจนเกินไป เ, เราก็พร้อมที่จะแ ส, สวงหาทรัพย์พร้อมที่จะดําเนินชีวิตไปในทางที่เป็นธรรมถูกต้องได้ เพราะนั้นพวกเราจรึงว่าถือว่าพวกเราเกิดมาเป็นผู้มีบุญนะแต่จะให้มันผู้รักษาบุญเนะี่ยจะให้มันพาไปในทางที่ชั่วเสียหายท่านลนะท่านนี้เอเกิดมาดีแล้วได้พบพรธศาสนาแล้วแต่ตั้งตนไว้ไม่ชอบจุดนั่นแหละจุดที่พวกเราสอนกันบอกกันแล้วบอกกันอีกกล่าวกันแล้วกล่าวกันอีกให้ดูเจบของเนะ้อพวกเราเนะ้อพี่น้องลูกหลานเนะ้ออย่าลืมตัวเนะ้อ ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละความจิบหายความหายชนะก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราถ้าเข้ามาหาเรานั้น เ, เราไปอยู่ในคุกในตารางลเลอนั่นแหละเมื่อนั้นแหละ เ, เราจะเสียใจไม่รู้จะเสียใจยังไงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทำนะมันไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องควรจะละและอย่าไปทำต้องตัดใจให้แข็ง อย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอถ้ามันผิดกฎหมายอะอย่าไปทําถ้ามันทําขึ้นมามันบวาชผวาอยู่เรื่อยเห็นใครขึ้นมากิกอกแกกขึ้นมากันนะอตื่นตนกขึ้นมาแล้วเพราะเองเอเหมือนกับคนโบราณเขาบอกว่าเหมือนกั บ, บวัวสันหลังบะนะ่าอย่างนี้องัวสันหลังเป็นแผลวัวสันหลังเป็นแผลเนอีกาบินมาในท้องฟ้าเนะี่ยกากท่านั้นนะวัวตัวนั้นสะดุ้งเลย กลัวอีกามันจะมาเจาะหลังตัวเองมากินมาเจาะที่แผลที่หลังตัวเองนะนี่ก็เหมือนกัน่ะคนที่ทําความชั่วคนที่ทําไม่ดีนะเอทายเวน้นมีอะไรเกิดขึ้นระแวงแครงไปหมดเอพิตกกังวลไปหมดติดใจก็เลยสะดุ้งกลัวไปหมดจิตใจไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นความชั่วนะ่ะอย่าทําเลยดีกว่าะมันจะบาดผวาอย่างนั้นล่ะนะ ถาตอนนี้ไปพระสงอนุโมท น, นาให้พร